ภิกษุเหล่านั้นทูลรับสนองพระดำรัสแล้วพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสเรื่องนี้ว่าภิกษุทั้งหลายธรรมาจากอันยอดเยี่ยมตถาคตผู้เป็นอรหันตาสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ประกาศแล้วณป่าอิสิ ป, ปตนมบรกทายวันเข ก, กรุงพาราณาสีอันสมณะพราหมณ์เทวดามารพรมหรือใครในโลกให้หมุนกลับไม่ได้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 การจำแนกการทำให้ง่ายซึ่งทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัตว์ถ้ามาจากอันยอดเยี่ยมตถาคตผู้เป็นอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ประกาศแล้วณป่าอิสิปตนมรกทาทยวันเขครุงพารณสีอันสมณะพรามเทวดามานพรมหรือใครๆในโลกให้หมุนกลับไม่ได้ คือการบอกการแสดงการบัญญัติการกำหนดการเปิดเผยการจำแนกทำให้ง่ายซึ่งอริยสัจสีนี้ภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจงคบสารีบุตรและโมคลานะเธอทั้งหลายจงคบสารีบุตรและโมคลานะเถิดสารีบุตรและโมคลานะเป็นภิกษุฉลาดเป็นผู้อนุเคราะห์เพื่อนพรหมจรีทั้งหลายสารีบุตร เปรียบเหมือนผู้ให้กำเนิดโมคลานะเปรียบเหมือนผู้บำรุงเลี้ยงทารกที่เกิดแล้วสารีบุตรย่อมแนะนําในโสดาปติผลโมคคลานะย่อมแนะนําในประโยชน์ที่สูงสุดสารีบุตรสามารถที่จะบอกแสดงบัญญัติกําหนดเปิดเผยจําแนกทําให้ง่ายซึ่งอริยสัจสีได้โดยพิสดารพระผู้มีพระภาคผู้สุคต ครันตรัสเวยากรณภาสินี้แล้วจึงทรงลุกขึ้นจากพุทธาฏเสด็จเข้าไปยังที่ประทับขณะนั้นเมื่อพระผู้มีพระภาคเสด็จจากไปแล้วไม่นานท่านพระสารีบุตรได้เรียกภิกษุทั้งหลายมากล่าวว่าท่านผู้มีอายุทั้งหลายภิกษุเหล่านั้นรับคำแล้วท่านพระสารีบุตรเดีกล่าวเรื่องนี้ว่าท่านผู้มีอายุทั้งหลาย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 อริยสัตว์คือทุก์เป็นอย่างไรคือชาติเป็นทุกชราเป็นทุกมรณะเป็นทุกโสกะปริเทวะทุกโทมนัสอุปาญาตเป็นทุกการไม่ได้สิ่งที่ต้องการเป็นทุกโดยย่ออุปาทานขันห้าเป็นทุกชาติเป็นอย่างไรคือความเกิดความเกิดพร้อมความยั่งลงความบังเกิดความบังเกิดเฉพาะ ความปรากฏแห่งขันความได้อายตนะในหมู่สัตว์นั้นๆของเหล่าสัตว์นั้นๆ น, น, นี้เรียกว่าชาติชราเป็นอย่างไรคือความแก่ความคริมคร่าความมีฟันหลุดความมีผมหงอกความมีหนังเหี่ยวย่นความเสื่อมอายุความแก่งอมแห่งอินทรีย์ในหมู่สัตว์นั้นๆของเหล่าสัตว์นั้นๆ น, น, นี้เรียกว่าชรา มรณะเป็นอย่างไรคือความจุติความเคลื่อนไปจากหมู่สัตว์นั้นๆความทำลายไปความหายไปความตายกล่าวคือมรรตยูการทำการละความแตกแห่งขันความทอดทิ้งร่างกายความขาดศูนย์แห่งชีวิตินสีของสัตว์เหล่านั้นๆ น, น, นี้เรียกว่ามรณะโศกะเป็นอย่างไรคือความเศร้าโศก กิริยาที่เศร้าโศกภาวะที่เศร้าโศกความแห้งผากภายในความแห้งกรอบภายในของผู้ที่ประกอบด้วยความเสื่อมอย่างใดอย่างหนึ่งหรือผู้ที่ถูกเคทแห่งทุกข์อย่างใดอย่างหนึ่งกระทบนี้เรียกว่าโศกกะปริเทวะเป็นอย่างไรคือความร้องไห้ความคร่ำครวญกิริยาที่ร้องไห้กิริยาที่คร่ำครวญภาวะที่ร้องไห้ ภาวะที่คร่ำครวญของผู้ที่ประกอบด้วยความเสื่อมอย่างใดอย่างหนึ่งหรือผู้ที่ถูกเคทแทงทุกอย่างใดอย่างหนึ่งกระทบนี้เรียกว่าปริเทวะทุก์เป็นอย่างไรคือความทุก์ทางกายความไม่สำราญทางกายความสวยอารมณ์ที่เป็นทุกไม่สำราญอันเกิดจากกายยสัมผัสนี้เรียกว่าทุก์โทมนัตเป็นอย่างไร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 าาการไม่ได้สิ่งที่ต้องการเป็นทุกข์เป็นอย่างไรคือหมูสัตว์ผู้มีความเกิดเป็นธรรมดาเกิดความปรารถนาขึ้นอย่างนี้ว่าฉะไหนหนอเราทั้งหลายจึงจะไม่มีความเกิดเป็นธรรมดาหรือความเกิดไม่พึงมาถึงเราทั้งหลายแต่ความปรารถนานี้ไม่พึงสําเร็จได้ตามความปรารถนาะนี้เรียกว่าการไม่ได้สิ่งที่ต้องการเป็นทุกข์ หมูสัตว์ผู้มีความแก่เป็นธรรมดาหมูสัตว์ผู้มีความเจ็บเป็นธรรมดาหมูสัตว์ผู้มีความตายเป็นธรรมดาหมูสัตว์ผู้มีความเศร้าโศกความครื่มครวญความทุกกายความทุกใจและความคับแค้นเป็นธรรมดาต่างก็เกิดความปรารถนาขึ้นอย่างนี้ว่าใชนไหหนอเราทั้งหลายจึงจักไม่มีความเศร้าโศกความคร่มครวญความทุกกาย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 เหล่านี้เรียกโดยย่อว่าอุปาทานขันห้าเป็นทุกข์นี้เรียกว่าทุกขอริยสัจทุกขสมุทัยอริยสัจอริยสัจคือเหตุเกิดแห่งทุกข์เป็นอย่างไรคือตันหานี้เป็นเหตุเกิดในภพใหม่สหรคตด้วยความกำนัดยินดีเป็นเหตุเพลิดเพลินในอารมณ์นั้นๆคือกามตันหาภวะตันหาและวิภวะตันหา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 อริยมรรคมีองค์8ทุกขนิโรธาคามินีปฏิปทาอริยสัจอริยสัจคือข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์เป็นอย่างไรคืออริยมรรคมีองค์8นี้นั่นแลได้แก่ 1. สัมมาทิฏฐิ 2. สัมมาสังกัปปะ 3. สัมมาวาจา 4. สัมมารกรรมันตะ 5. สัมมาอาชีวะ 6. สัมมาวายามะ 7. สัมมาสติ 8. สัมมาสมาธิสัมมาทิฏฐิเป็นอย่างไรคือความรู้ในทุกความทุกความรู้ในทุกขะสมุทัยเหตุเกิดแห่งทุกความรู้ในทุกขนิโรธความดับทุกความรู้ในทุกขนิโรธคามิินีปฏิปทาข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุก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 พินโยภาพไพบู์เจริญเต็มที่แห่งกุศรลธรรมที่เกิดขึ้นแล้วนี้เรียกว่าสัมมาวายามะสัมมาสติเป็นอย่างไรคือภิกษุในพระธรรมวินัยนี้เป็นผู้มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติพิจารณาเห็นกายในกายอยู่พึงกาจัดอภิชาและโทมนัสในโลกได้ พิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลายอยู่และถึงพิจารณาเห็นจิตในจิตอยู่เป็นผู้มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติพิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายอยู่พึงกำจัดอภิชาและโทมนัสในโลกได้นี้เรียกว่าสัมมาสติสัมมาสมาธิเป็นอย่างไรคือภิกษุในพระธรรมวินัยนี้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 บรรลุตติยฌานบรรลุจตุธฌานอยู่นี้เรียกว่าสัมมาสมาธินี้เรียกว่าทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัตว์ท่านผู้มีอายุทั้งหลายพระธรรมจากอันยอดเยี่ยมพระตถาคตผู้เป็นอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยทรงประกาศไว้แล้วณป่า อ, อิสิ ป, ปะตะนะมรุกทายวันเขตกรุงพาราณสี อันสมณะพราหมณ์เทวดามารพรมหรือใครๆในโลกให้หมุนกลับไม่ได้คือทรงบอกทรงแสดงทรงบัญญัติทรงกำหนดทรงเปิดเผยทรงจำแนกทรงทำไม่ง่ายซึ่งอริย ส, สัจสี่นี้ท่านพระสารีบุตรได้กล่าวพาสิตนี้แล้วภิกษุเหล่านั้นมีใจยินดีต่างชื่นชมพาศิทธิ์ของท่านพระสารีบุตรดังนี้แล สัจจะวิพังคสูตรที่11จบ 12. ทักคิ น, นาวิพังคสูตรว่าด้วยการจำแนกทักษินาทานข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้ สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณนะนิคโครธารามเขตกรุงกบิลพัดแคว้นสักกะสมัยนั้นแลพระนางมหาประชาบดีโคตมีทรงถือผ้าใหม่คู่หนึ่งเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วประทับนั่งณที่สมควรเดียกกราบทูลพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญผ้าใหม่คู่นี้ หม่อมฉันกรอได้เองทอเองตั้งใจอุทิศถวายพระผู้มีพระภาคขอพระผู้มีพระภาคทรงอาศัยความอนุเคราะห์รับผ้าใหมคู่นั้นของหม่อมฉันเถิดเมื่อพระนางมหาปชาบดีโคตมีกราบทูลอย่างนี้แล้วพระผู้มีพระภาคได้ตรัสว่าโคตมีขอพระนางจงถวายสง์เถิดเมื่อพระนางถวายสง์แล้ว จักเป็นอันบูชาอัตมภาพและสงฆ์แม้ครั้งที่สองพระนางมหาประชาบดีโคตมีก็ได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญผ้าใหมคู่นี้หม่อมฉันกรอได้เองทอเองตั้งใจอุทิศถวายพระผู้มีพระภาคขอพระผู้มีพระภาคทรงอาศัยความอนุเคราะห์รับผ้าใหม่คู่นี้ของหม่อมฉันเถิดแม้ครั้งที่สอง พระผู้มีพระภาคก็ได้ตรัสกับพระนางมหาประชาบดีโคตมีว่าโคตมีขอพระนางจงถวายสงเถิดเมื่อพระนางถวายสงเแล้วจกเป็นอันบูชาอัตมาภาพและสงแม้ครั้งที่สพระนางมหาประชาบดีโคตมีก็ได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญผ้าใหม่คู่นี้มอมฉันกรอได้เองทอเอง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 ท่านพระอาณน์เด็กกราบทูลพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอพระผู้มีพระภาคโปรดรับผ้าใหม่ทั้งคู่ของพระนางมหาประชาบดีโคตมีเถิดพระนางมหาประชาบดีโคตมีทรงมีอุปการะมากเป็นพระมาตุช้าของพระผู้มีพระภาคทรงธนุถนอมเลี้ยงดูให้พระผู้มีพระภาคเสวยน้ํานม ในเมื่อพระชนนีสวรรคตแล้วแม้พระผู้มีพระภาคก็ทรงมีอุปการะมากแก่พระนางมหาประชาบดีโคตมีพระนางมหาประชาบดีโคตมีทรงอาศัยพระผู้มีพระภาคแล้วจึงได้ถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นสรณะทรงเป็นผู้เว้นขาจากการฆ่าสัตว์ทรงเป็นผู้เว้นขาจากการลักทรัพย์ทรงเป็นผู้เว้นขาจากการประพฤติผิดในการม ทรงเป็นผู้เว้นขาดจากการพูดเท็จทรงเป็นผู้เว้นขาดจากการเสพของมึนเมาคือสุราและเมรยัยอันเป็นเหตุแห่งความประมาททรงอาศัยพระผู้มีพระภาคแล้วจึงทรงมีความเลื่อมใสแน่วแน่ในพระพุทธเจ้ามีความเลื่อมใสแน่วแน่ในพระธรรมมีความเลื่อมใสแน่วแน่ในพระสงฆ์มีศีลที่พระอริยยินดีทรงอาศัยพระผู้มีพระภาคแล้ว จึงเป็นผู้หมดความสงสัยในทุกหมดความสงสัยในทุกขสมุทยัยหมดความสงสัยในทุกขนิโรธหมดความสงสัยในทุกขนิโรธคามนีปฏิปทาข้าแต่พระองค์ผู้เจริญแม้พระผู้มีพระภาคก็ทรงมีพระอุปการะมากแก่พระนางมหาปชาบดีโคตมีพระผู้มีพระภาคตรัสว่าข้อนี้เป็นอย่างนั้นอา น, น์ ข้อนี้เป็นอย่างนั้นอานน์เพราะว่าบุคคลอาศัยบุคคลใดแล้วเป็นผู้ถึงพระพุทธเจ้าเป็นสรณะถึงพระธรรมเป็นสรณะถึงพระสงฆ์เป็นสรณะเราไม่กล่าวการกระทํานี้คือการกราบไหว้การลุกรับการทําอัญชลีการทําทสามีจิกรรมด้วยการบริจาคจีวรบินทบาทเสนาสนะ และคีลานปัจใจเพศสัตวบริคารว่าเป็นการตอบแทนกันของบุคคลนี้กับบุคคล น, นี้บุคคลอาศัยบุคคลใดแล้วเป็นผู้เว้นขาจากการฆ่าสัตว์เป็นผู้เว้นขาจากการลักทรัพย์เป็นผู้เว้นขาจากการประพฤติผิดในกามเป็นผู้เว้นขาจากการพูดเท็จเป็นผู้เว้นขาจากการเสพของมืนเมาคือสุราและเมรยัยอันเป็นเหตุแห่งความประมาท เราไม่กล่าวการกระทำนี้คือการกราบไหว้การลุกรับการทำอัญชลีการทำสามีจิ ก, กรรมด้วยการบริจาคจีวรบิณฑบาตเสนาสนะและขีลานปัจัยเพศสัตยบริการว่าเป็นการทำตอบแทนกันของบุคคล น, นี้กับบุคคล น, นี้บุคคลอาศัยบุคคลใดแล้วเป็นผู้มีความเลื่อมใสแน่วแน่ในพระพุทธเจ้า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 ว่าเป็นการทำตอบแทนกันของบุคคลนี้กับบุคคล น, นี้บุคคลอาศัยบุคคลใดแล้วเป็นผู้หมดความสงสัยในทุกขหมดความสงสัยในทุกข์สมุทยัยหมดความสงสัยในทุกขานิโรธหมดความสงสัยในทุกขณนิโรธคาไ ม, ม่นีปฏิปทาได้เราไม่กล่าวการกระทำนี้คือการกราบไหว้การลุกรับการทำอัญชลีการทำสามีจิกรรม ด้วยการบริจาคจีวอนบินธบาศเสนาสนะและคิลานปัจจัยเพษัดบริขารว่าเป็นการทำตอบแทนกันของบุคคลนี้กับบุคคลนี้ การถวายทานเจาะจงบุคคล14ประการอานอนท์ก็ทักษิณาเป็นปาติบุคคลิกการถวายทานเจาะจงบุคคลนี้มี14ประการทักษิณาเป็นปาติบุคลิก14ประการอะไรบ้างคือ 1. บุคคลย่อมถวายทานในพระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้านี้เป็นทักษิณาปาติบุคลิก ประการที่1 2. บุคคลย่อมถวายทานในพระปัจเจคพุท ธ, ธะนี้เป็นทักษิณาปาติปุคคลิกประการที่สองสบุคคลย่อมถวายทานในพระสาวกของตถาคตผู้เป็นพระอรหันต์นี้เป็นทักษิณาปาติปุคคลิกประการที่ส 4. บุคคลย่อมถวายทานในท่านผู้ปฏิบัติเพื่อทำให้แจ้งอรหัตผล นี้เป็นทักษิณาปาติบุคลิกประการที่4 5. บุคคลย่อมถวายทานในพระอนาคามีนี้เป็นทักษิณาปาติปุคลิกประการที่5 6. บุคคลยええ่อมถวายทานในท่านผู้ปฏิบัติเพื่อทำห้แจ้งอนาคามิผลนี้เป็นทักษิณาปาติปุคลิกประการที่6 7. บุคคลย่อมถวายทานในพระสกทาคามี นี้เป็นทักษิณาปาติปุคลิกประการที่7 8. บุคคลย่อมถวายทานในท่านผู้ปฏิบัติเพื่อทำให้แจ้งสกทาคามิผลนี้เป็นทักษินาปาติปุคลิกประการที่8 9. บุคคลย่อมถวายทานในพระโสดาบันนี้เป็นทักษิณาปาติบุคลิกประการที่9 10. บบุคคลย่อมถวายทานในท่านผู้ปฏิบัติ เพื่อทําให้แจ้งโสดาปฏิผลนี้เป็นทักษิณาปาติปุคลิกประการที่10 11. บบุคคลย่อมถวายทานในบุคคลภายนอกศาสนาผู้ปราศจากความกำหนัดในการทั้งหลายแล้วนี้เป็นทักษิณาปาติปุคลิกประการที่11 12. บุคคลย่อมให้ทานในปุถุชนผู้มีศีล น, นี้เป็นทักษิณาปาติปุคลิกประการที่12 สิบุคคลย่อมให้ทานในปุถุชนผู้ทุศีลนี้เป็นทักษิณาปาติบุคลิกประการที่13 14. บุคคลย่อมให้ทานในสัตว์เดระชานนี้เป็นทักษิณาปาติบุคลิกประการที่14อานนท์ในทักษิณาปาติบุคลิก14ประการนั้นบุคคลให้ทานในสัตว์ติระชานแล้ว พึงหวังทักษิณาอันมีอนิสงส์ร้อยอัตภาพให้ทานในปุถุชนผู้ทุศีนแล้วพึงหวังทักษิณาอันมีอนิสงส์พันอัตภาพให้ทานในปุถุชนผู้มีศีลแล้วพึงหวังทักษิณาอันมีอนิสงส์แสนอัตภาพถวายทานในบุคคลภายนอกาศาสนาผู้ปราศจากความกำหนัดในกามทั้งหลายแล้ว พึงหวังทักษินาอันมีอนิสงส์แสนโกรธอัตภาพให้ทานในท่านผู้ปฏิบัติเพื่อทำให้แจ้งโสดาปฏิผลแล้วพึงหวังทักษินาอันมีอนิสงส์นับไม่ได้ประมาณไม่ได้ไม่จำเป็นต้องกล่าวถึงการถวายทานในพระโสดาบันไม่จำเป็นต้องกล่าวถึงการถวายทานในท่านผู้ปฏิบัติเพื่อทาให้แจ้งสกทาคามิผล ไม่จำเป็นต้องกล่าวถึงการถวายทานในพระสกทาคามีไม่จำเป็นต้องกล่าวถึงการถวายทานในท่านผู้ปฏิบัติเพื่อทำให้แจ้งอนาคามิผลไม่จำเป็นต้องกล่าวถึงการถวายทานในพระอนาคามีไม่จำเป็นต้องกล่าวถึงการถวายทานในท่านผู้ปฏิบัติเพื่อทำให้แจ้งอรหัตผลไม่จำเป็นต้องกล่าวถึงการถวายทานในพระสาวกของตถาคต ผู้เป็นพระอาหารหันต์ไม่จำเป็นต้องกล่าวถึงการถวายทานในพระปัจเจกกสัมพุทธะไม่จำเป็นต้องกล่าวถึงการถวายทานในพระตถาคตอาหารหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเลย การถวายทานในสงฆ์เจประการอานนท์ก็ทักษินาที่ถวายในสงฆ์เจ็ดประการนี้ทักษินาที่ถวายในสงฆ์เจ็ประการอะไรบ้างคือ 1. บุคคลย่อมถวายทานในสงฆ์สฝ่ายมีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขนี้เป็นทักษินาที่ถวายในสงฆ์ประการที่หนึ่ง 2. เมื่อพระตถาคตปรินิพานแล้ว บุค galaxies, บคลย่อมถวายทานในสงสองฝ่ายนี้เป็นทักษิณาที่ถวายในสงประการที่สองบุคคลย่อมถวายทานในภิกษุสงนี้เป็นทักษิณาที่ถวายในสงประการที่ส 4. บุคคลย่อมถวายทานในภิกษุณีสงนี้เป็นทักษิณาที่ถวายในสงประการที่ส 5. บุคคลพเดียงสงว่า ขอท่านจงให้ภิกษุและภิกษุณีจำนวนเท่านี้แก่ข้าพเจ้าเจาะจงจากสงฆ์แล้วถวายทานนี้เป็นทักษิณาที่ถวายในสงฆ์ประการที่ห 6. บุคคลพเดียงสงว่าขอท่านจงให้ภิกษุจำนวนเท่านี้แก่ข้าพเจ้าเจาะจงจากสงฆ์แล้วถวายทานนี้เป็นทักษิณาที่ถวายในสงฆ์ประการที่6 7. เจ็บุคคลพเดียงสงว่า ขอท่านจงให้ภิกษุณีจำนวนเท่านี้แก่ข้าพเจ้าเจาะ จ, จงจากสงฆ์แล้วถวายทานนี้เป็นทักษิณาที่ถวายในสงฆ์ประการที่เจ็อานน์ก็ในอนาคตการจากมีแต่เหล่าโคตรภูภิษุมีผ้ากาสาวะพันคอเป็นผู้ทุศีนมี ร, รมเลซามชนทั้งหลายจากถวายทานเจาะจงพระสงฆ์ได้ในภิกษุผู้ทุศีเหล่านั้น แม้ในเวลานั้นเราก็ยังกล่าวทักษิณาที่ถวายในสงฆ์ว่ามีอนิสงฆ์นับไม่ได้ประมาณไม่ได้แต่ว่าเราไม่กล่าวปาติปุคลิกทานว่ามีผลมากกว่าทักษิณาที่ถวายในสงฆ์โดยปริยายไรๆเลย ความบริสุทธิ์แห่งทักษิณาของทำบุญ4ประการนี้ความบริสุทธิ์แห่งทักษิณา4ประการอะไรบ้างคือ 1. ทักษิณาที่บริสุทธิ์ฝ่ายทายกผู้ให้แต่ไม่บริสุทธิ์ฝ่ายปฏิคาหผู้รับ 2. ทักษิณาที่บริสุทธิ์ฝ่ายปฏิคาหแต่ไม่บริสุทธิ์ฝ่ายทายก 3. ทักษิณาที่ไม่บริสุทธิ์ ทั้งฝ่ายทายกและฝ่ายปฏิคาหกสทักษิณาที่บริสุทธิ์ทั้งฝ่ายทายกและฝ่ายปฏิคาหกทักษิณาที่บริสุทธิ์ฝ่ายทายกแต่ไม่บริสุทธิ์ฝ่ายปฏิคาหกเป็นอย่างไรคือทายกในโลกนี้เป็นผู้มีศีล มีกาลยานธรรมปฏิคาหกเป็นผู้ทุศีนมีธรรมเลว3ามทักษิณาที่บริสุทธิ์ฝ่ายทายกแต่ไม่บริสุทธิ์ฝ่ายปฏิคาห6เป็นอย่างนี้ทักษิณาที่บริสุทธิ์ฝ่ายปฏิคาห6แต่ไม่บริสุทธิ์ฝ่ายทายกเป็นอย่างไรคือทายกในโลกนี้เป็นผู้ทุศีนมีธรรมเลว3ามปฏิคาหกเป็นผู้มีศีนมีกลยานธรรม ทักษิณาที er. ่บริสุทธิ์ฝ่ายปฏิคาหแต่ไม่บริสุทธิ์ฝ่ายทายกเป็นอย่างนี้ทักษิณาที่ไม่บริสุทธิ์ทั้งฝ่ายทายกและฝ่ายปฏิคาหเป็นอย่างไรคือทายกในโลกนี้เป็นผู้ทุศีลมีธรรมเลวซามและปฏิคาหกก็เป็นผู้ทุศีลมีธรรมเลวซามทักษิณาที่ไม่บริสุทธิ์ทั้งฝ่ายทายกและฝ่ายปฏิคาหเป็นอย่างนี้ ทักษินาที่บริสุทธิ์ทั้งฝ่ายทายกและฝ่ายปฏิคาหกเป็นอย่างไรคือทายกในโลกนี้เป็นผู้มีศีลมีกาลยานธรรมและปฏิคาหกก็เป็นผู้มีศีลมีกาลยานธรรมทักษินาที่บริสุทธิ์ทั้งฝ่ายทายกและฝ่ายปฏิคาหกเป็นอย่างนี้อานุ์ความบริสุทธิ์แห่งทักษิณาสประการนี้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 มีจิตไม่เลื่อมใสไม่เชื่อกรำรและผลของกรรมอันโอฬานให้ทานในชนผู้มีศีลทักษิณาของผู้นั้นชื่อว่าบริสุทธิ์ฝ่ายปฏิคาหกผู้ใดทุศีลได้ของมาโดยไม่เป็นธรรมมีจิตไม่เลื่อมใสไม่เชื่อกรรำและผลของกรรมอันโอฬานให้ทานในชนผู้ทุศีลเราไม่กล่าวทานของผู้นั้นว่ามีผลพัยบุ์ ผู้ใดมีศีลได้ของมาโดยธรรมมีจิตเลื่อมใสดีเชื่อกรรมและผลของกรรมอันโอลานให้ทานในชนผู้มีศีลเรากล่าวทางของผู้นั้นว่ามีผลภัยบูรผู้ใดปราศจากราคะแล้วได้ของมาโดยธรรมมีจิตเลื่อมใสดีเชื่อกรรมๆๆและผลของกรรมอันโอลานจึงให้ทานในท่านผู้ปราศจากราคะ เรากล่าวทานของผู้นั้นนั่นแล ว, ว่าเลิศ ก, กว่าอามิสทานทั้งหลายดังนี้แลถ้าคิ น, นาวิพังขสูตรที่ส2องจบวิพังขวักที่สจบ รวมพระสูตรในวักนี้คือ 1. พัตเทก ร, รัตสูตร 2. อนันทพัตเทก ร, รัตสูตร 3. มหากัจจานพัตเทก ร, รัตสูตร 4. โลมาสกังขียะพัตเทก ร, รัตสูตร 5. จุลกรร ม, มะวิพังคสูตร 6. มหากรร ม, มะวิพังคสูตร 7. สลายตนะวิพังคสูตร 8. อุเทศวิพังคสูตร 9. กาอรณวิพังคสูตร 10. บทาตุวิพังคสูตร 11. สัจจวิพังคสูตร 12. ทักขีนาวิพังคสูตร